เธอจะขังฉนไว้ทำไมในเมื่อใจเธอยังไม่ลืมเลือนสามภาพาเหมือนมีใจให้ฉันเขาคนเก่าเธ อ, อยังฟังใจฉันคนใหม่ก็บอกรักกันตัวฉันมันก็เลยค่นขางสับสนอยู่กับฉัน กันเลยอย่าทําให้ค้างคาช่วยเลือกที่น้าช่วยตัดสินใจฉันต้องอยู่อย่างเป็นเพื่อนเธอ n o เธน่าช่วยตาสนใจ